و َะَราไมَเคยَปَ ا ผู ل สร้างสَรค์ทีَไรِเَียงสาและเร م ได้ส่งผَู้ร้ ب ิน قادرين فأسكنناه في الأرض وإن على ذهبٍ ه ل ا د وإن على س َ أ ن ل ك م ب ه ج ن ا ت ٍ ن ي ل ٍ و ن ا ج ن ا ت م ن ن خ ي ل و أ ع ن ا ب แล้วคุม فيها ฟ้าَ่ากิหุกสี่รอว่ามินฮาทักกุลว่ามินฮาทั ح กุลอัลลอฮุราะห์มานุรรหีมดินน์อัลฮะมดุลลอฮ์นะฮ์มดุห์วะนัสต้าอีนุห์วะนัส و َ نعوذ َُ بالله َِِّ من ِْ شرور ُُِ أنفسنا ََُِْ ومن َِْ سئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وَمَن يُضلِلَ فَلَهَاذِيَلَ ه ُ وَأَشْهَدُ أَن إ لَّهُ وَحْدَهُ لَا, لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن َّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَأَصْبَحْنَا وَبِكَأَمْسَيْنَا وَبِكَنَحْيَا و َ ب ِ ك َ ن َ م ُ و ت ُ وَإِلَيْكَ النُّشُور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 วรรดาเนื้อสีหิวจินะต่ออาชีหิวบิดาเดคาลิมัติซุลลามาริคุมมะรับมาตุลลอฮฺบะบารอกะตุพี่น้องที่รวมจะมาสุบะทีรักทั้งหลายครับเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะซุฮานะฮูวะตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามานั่งอยู่ที่มัสยิดของอัลลอฮ์เรียกว่าบ้านของอัลลอฮ์ คนที่นั่งอยู่ที่มัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็มาอ่านคุรานหรือมาทบทวนนะครับความรู้ยาตาดารอซูนคําเนี้นบีสอนยาตาดารสูลนั่งแล้วก็หาความรู้หาความเข้าใจจากอัลกุรานและจากสุนนะของท่านนาบีอัลลอฮ์ให้สามอย่างครับสกีนอะัลลอฮ์ให้ความสงบสงบที่ไหนที่หัวใจ สองฮัฟัดหุมูลมาลาอิกาอัลลอ์จะให้มาลาอิกาเนี่ยเอาปีกมาคลุมแล้วก็ประทานรหมมะลงมาแล้วก็ประทานความพึงพอใจลงมาอัลลอ์ให้มาลายิกามาก่าวดุอาให้กับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยอัลลอฮุมฟิลลัฮูวะรฮัมมูโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับคนที่นั่งคนนี้ แล้วก็อภยัยโทษประทานความเมตตาให้กับเขาด้วยเหมือนกับเราไปเยี่ยมคนตายาเราไปเยี่ยมมายยดใช่ไหมนบีสั่งให้เราขอดูอาส่วนใหญ่ก็ขอทูอาอย่างนี้อัลลอฮุมะฟิลลัฮูวะลฮัมฮูวะอาฟิฮีวะอัฟวานฮูเรา่าแค่นี้อัลลอฮุมะฟิลลัฮูวะลฮัมฮูวะอาฟิฮีวะอัฟวานฮูล้วก็ขอดูอาให้กับนายยต ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานิบุตาลาที่เราได้ทบทวนกุณอ่านแล้วก็วันนี้มาถึงสุร่าเท่าไหร่ยี่สิบสามสุรอัลมุมินูนทบทวนมาแล้วสิบห้าอายะนะครับสิบห้าอายะนะครับวันนี้มาถึงอายะที่สิบหกนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่อายะสี่อายะนี่ก็เยอะถ้าแปลอย่างเดียวมันก็มีเยอะเราก็องอธิบายนี่มันก็เยอะนะอธิบายไม่หมด ทีบ้นไมหมดออกมาเล็กในน้อยเองอาลลอฮฺอีนองมาดูคุรานนะอายาที่16ของสูโรอัลมุบมินูนซุมมาอินนักุมเยอมาลกิยามติตุบะซุน ซุมม์อินนักุมยาุมัลกิยามัติตุมาสูนอัลลอฮฺอัลกุบะตีน้องถ้าไม่รู้ความหมายมีมีปัญหาพอ ร, รู้ความหมายเนี่ยอัลลอฮฺนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และุ์ุัสซาลยก่อนหน้านี้อายาที่15บห้พี่น้องว่ายังไงนะ ซุมมะินนุมบัดาลิกาลาไมยตุนซุมมะอินนุมบัดาลิกาลาไมยตุนตรงนี้แปลว่ลาหลังจากให้มนุษย์อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอธิบายว่าไงนะถ้าคิด วันหนึ่งของอัลลอฮฺพันปีพันปีถ้าอยู่แปดสิบปีเท่ากับกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ไงอัลลอฮฺชีวิตเราเนี่ยนะนิดเดียวเองอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยนะแค่สองชั่วโมงถ้าคิดวันเกียร์มั้งพันปีอีกอายาหนึ่งห้าหมืนปีใช่ไหมอา้าวถ้าหมื่นปีอยู่บนดุนยาเนี่ยเท่าไหร่ เป็นนาที่นี่ไงพออ่นานพวอ่านเราใช้ปัญญามานั่งคิดเราเนี่ถูกหลอกให้ล้งหมดเลยนะเสียเวลาการนั่งอยู่ในบาน์<ม>ในคลับทะเลาะกันนินทากันไราสาระทั้งหมดเลยนะเอา้าวเห็นนี่กรอานนะหลังจากนั้นหลังจากอยู่บนโลกดุลยานี้อธิบายนะไม่กี่นาทีหรือแค่สองชั่วโมงหลังจากนั้นให้ตาย ซุมมไอินักมุ่บา่นดาดลิกาละม่ทุนอัลลอฮพี่น้องตอนตายนี่ก็ทรมานแล้วคนที่ไม่มีศาสนาพี่น้องก็ลอ อ, อ, อ่านจากคัดิสเน่เป็นอย่างนี้มาลายการ ล, ลงมาในท่าทางที่โศกปรกฝนผมนี่ฟูเม้นชึงเลยพี่น้องมาเอาวิญญาณของคนที่ไม่อีมานต่ออัลลอะ ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลไม่รู้จักกุรานถ้าไม่รู้จักเนี่ยพี่น้องครับมล า, ายิกามาในสภาพที่น่าเกลียดที่สุดแล้วมาไม่ได้มาคุยแล้วมาถึงก็กระชากเลย ต, ตูมตูมตูมเล่นแรงเลยแต่ตรงกันข้ามจะหาว่าคนตายเนี่ยเขาเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพอมล า, ายิกามานี่มาแบบสง่างานไปนะแต่งตัวสวยรูปรล่อหอมกลิ่นหอมผ้าผ้ากระฟานมาจากสวนสวรรค์ นำหอมจากสวนสวรรค์แล้วก็ไอ้นุ่นสัมฤทมาจากสวนสวรรค์นบีอธิบาย ช, ชัดเจนเลยแล้วพระเอามาวางไว้แล้วก็มาลายกามาก่อนที่จะมาดึงวิญญาณน่ะท่างนี้สรารมาเลาย์กลุ่มเราอยากเจอสภาพนี้ใช่ไหมอ่ะเออมาลายกามาสรารมาเลายกุ่มแล้วก็มาเชิญอุครูจีอิลามักฟิรติมิล บ, บิกวอริโว้นี่ออกเถอะวิญญาณไปไหน ไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์สู่ความพึงพอใจของอัลลอฮ์ถามว่า ว, วิญญาณออกง่ายหรือออกยากง่ายมากครับนบีอธิบายอีกง่ายหรือยากแบบไหนวกว่าคนจะสับสนเอาน้ําใส่แก้วแล้วก็ตอนเทออกอ่เทง่ายหรือเทยากอลาวแค่แตะแคงแก้วปุ๊บออกแล้วเนี่ยวิญญาณของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วิญญาณเขาจะออกง่ายแบบง่ายดา เนี่ยแค่สามรายการเนี่เราก็ฮับอยู่เรื่อยไปน้องขนาดนั้นยะนบีก็ยังกลัวนะ่ะนบีขอร oh ์ น, ร น, นะนอเอามาดูคนลูกน้องนบีใครบ้างอ่ค อ, อลิฟรามมัดบินอัลอาซีส อุมัดเบตาุลอาซิดของอ้ายอัลลอฮุมมหาวินอัลัยยะอัล um ัลมาอุดจำนวนคลายๆของนบีโออัลลอฮ์ขอให้วิญญาณของฉันตอนตายเนี่ยออกแบบง่ายๆโดยเธอยแบบสบายๆโดยเธอเพราะเขาครูทกันทุกคนข น, นาดนบียังขอเลยนะครับสบบาวบ้านนะบีทุกคนขอหมดนะขอให้ตายสบายๆสบายโอ้อ oh พี่น้องอทีนี้พอจับใส่โลงภาพในพี่น้องคนมุสลิมน่ะ ตะโกนดังๆกดดีมูนี่พาฉันไปไวๆอีกกลุ่มหนึ่งคนคาเฟ็นพอจับใส่โรงปับมันจะพากูไปไหนที่ถ้าเราได้ยินนะอาอักบัตกลัวกันหมดแต่เอาล็อกไม่ให้ได้ยินไม่ให้มนุษย์ได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงคนที่อยู่ในปูอยู่ในโรงเนี่ยเขาว่าอะไรบ้างพี่น้องครับนี่อ่ะอ่านฮะดีนี่อธิบายมีมากกว่านี้อีกเยอะ เอาเล็ก น, น้อยเนี่ยไปก่อนไปข้อเตือนใจนะครับอัลลอฮูอััาอาทีนี้มาดูอยายะที่ 16. สิบหกซุมมาอินนะกุมยาว์มัลกิยามาติตุบาซูอยู่บนดุนยานี่ทลายครับถ้าคิดหนึ่งพันปีก็แค่สองชั่วโมงแปดสิบปีถ้าคิดห้า0มืนปีก็ไม่กี่นาทีพี่น้อง หมดแล้วอยู่บนดุยาแค่นั้นเป็นเสร็จแล้วไปไหนก่าตายพอตายเสร็จแล้วซุมมาอินนักุมหลังจากนั้นแล้วสูเจ้าก็จะตุบอาซูลตุบอาซูลเนี่แปลว่าถูกให้ฟื้นขึ้นไม่ใช่ตายแล้วตายเลยพี่ น, อน้องคนนี่นะไม่ใช่ตายแล้วตายเลยตายแล้วต้องฟืน้นนี่นะกัมภีรุอ่านอธิบายชัดมากเลยซุ้มมาอินนกุม เยาวมาังติม马ติตุบาสุลแล้วสู่เจ้าจะถูกให้ฟื้นขึ้นเมื่อไรครับยาวมาังติม马ในวันกิยามะวันกิยามะไปอะไรครับวันแห่งปรโลกตั่งเ ง, งียน้องวันติ亚马ชื่อกิยามะมีประมาณสิบกว่าชื่อไปน้องมีเยอะเห็นไหมเอาจะเอาที่เราว่าประจำปย า, ยามังติ亚มเยาวมังติม马 ถาว่าฟื้นขึ้นมาทำอะไรอุลมะก็สรุปชีวิตทะลง่ายๆเพื่อชำระเพื่อรับการชำระแล้วก็ชำระความดีแล้วก็ชำระความชั่วฉะนั้นนะมุสลิมนะอยู่บนดุยาใบนี้เนี่ยจะทำอะไรต้องนึกฉันทำของนี้เนี่ยฉันจะได้อะไรในวันกียรมอ่านั่งอยู่ในมัสยิด เรารู้ชัดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาละอิกะมาขอทูอาให้เราอัลลอฮุม์มะฟิลลาฮุวะลามมฺหูดีไหมดีนั่งทบทวนคุณอ่านในมัสยิดหาความรู้ในมัสยิดอัลลอฮ์ให้อะไรให้มาละอิกะเอาปีกมาคุมนั่นีบบอธิบายมาเลยต้องนึกโอ้เราได้ได้เยอะเลยฮาลัลิลละมันก็นั่งที่มัสยิดแบบไม่กระซับกระสายนั่งแบบสงบสงบมาเพราะแล้วรู้ว่าเราเนี่ได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ พี่น้องสังเกตนะครับพออยู่บนดุลยุยาไปนี้มนุษย์นี่ถูกสร้างมากี่รายการนะเจ็ดเจ็ดขั้นตอนนะเจ็ดขั้นตอนหนึ่งสร้างจากน้ําำสร้างจากดินใครนบีอาดัมสองวรรคที่สองขั้นที่สองเป็นน้ำอสูจิอิหม่ามอ่านตอนนมาตะกี้นะฟาคอลักตนาะฟาคอลักตนาะฟากอลักตนาะนะวาจอนะัลนา พูดว่าเราเป็นคนทรรํำเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างพูดย้ำไปย้ำมาให้คนอ่านอุษุนชายปัญญาว่าคนอื่นไม่มีหุ้นส่วนในการสร้างกับอลัลลอฮ์เลยเอลัลลอฮ์สร้างแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นฝ่าคลอดก็ น, นั้นเราได้สร้างจากดินเป็นน้าอสุจิเราได้สร้างจากน้ําอสุจิเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อเป็นกระดูก แล้วก็เอาเนื้อนี่หุ้มกระดูกฟากกรซ้านั่อะก็มาละมาเอาเนื้อหุ้มกระดูกเสร็จแล้วก็ต่อไปอะไรนะวิญญาณเป่าวิญญาณลงไปอัลฮัมดุลิลลาฮิโน่สร้างกระดูกเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็เป่าวิญญาณอัลลอฮฺอัลบัอายที่สบห้าสบห ผลสุดท้ายมนุษย์ต้องตายตายแล้วต้องให้ฟื้นขึ้นในโลกอาเกโรเป็นขั้นตอนอย่างนี้และเป็นเรื่องจริงด้วยพี่น้องทั้งหลายทีนี้ในวันเกียร์มามาน่ยมีการเป่าเราจะเป่าอะไรนะเป่าที่เป่านะบางคนเป่าว่าเรีว่าสังป่าเป่าสังเข้าใจง่ายดีเป่าที่เป่านะกี่ครั้งสองครั้งคุณอาจารย์คุณชัดเลยครับเป่าสองครั้งการเป่านี่นะพี่น้อง เป่าสังเนี่ยวันไหนรู้ไหมวันศุกร์เป่าสังเนี่ยวันศุกร์วันจียมาเกิดวันศุกร์พี่น้องเดี๋นี้มาอ่านฮะดีสนะของอิหม่ามอิบนะมาจาอธิบายอย่างนี้มาได้ก้าที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มีไหมมีครับชันฟ้าแผ่นดินลมระยะประวัตลมทิบา้านภูเขาห้า บาเรนทะเลมหาสมุทรนะครับหกรายการนี้พี่น้องต่างกลัวเมื่อถึงวันศุกร์นี่กลัวประวันว่าวันนี้จะเป็นวันสิ้นโลกหรือเปล่าเห็นไหมนี่ถ้าไม่อ่านฮะดิษไม่รู้ครับน บ, บีสอนนะครับสปปรรพสิ่งเนี่ยที่อยู่บนโลกดุนยาไปเนีงหนึ่งบลัยกาที่อยู่กล้าชิดกับอัลล็อสองชั้นฟ้าสามแผ่นดินสี่ลม ห้าภูเขาหกน้ําทะเลในมหาสมุทรไปน้องต่างมีความวันเกรงกลัวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลกดุนยาหรือเปล่าพวกเราก็พร้อมไม่เห็นแต่วันศุกเนี่ยพวกเราเตรียมตัวใช่ไหมเดีย๋ยวจะไปสุราลแล้ว ท, าาท่านจะอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องนอนรับพร้อมเลยไปน้นองพร้อมที่จะตายทุกอย่างเพราะเรานึกอยู่ในใจว่าวันนี้วันศุกอาจจะเป็นวันสุดท้ายของโลกดุนยาก็ได้ เราอาบน้ํากันแต่เช้าพี่น้องอยู่บนเมือมงไทยในอาบน้ำสิบเอ็ดโมงใช่ไหมไอ้สิบโมงแต่เราไปอยู่ในซาอุดีสิมันแข่งกันเข้าสซลเอาใช่หรือไม่ใช่หรอถ้าไปสายจบไม่มีที่นั่งก็ต้องไปแต่เช้านั่นแหละพี่น้องทั้งหลายครับแล้วนี่สิบโมงก็อาบน้ากว่าทัน <laughs> บางทีสิบเอ็ดใช่ไหมแต่เราไปอยู่ในโลกอาหรับอลกลที่คนก็เข้าสซลเอาคนเป็นล้านอ่ะ ต้องรีบไปแต่เช้าถ้างนั้นยังมีที่นั่งตั้งกลางแดดก็ไม่ไหวนะพี่น้องพี่น้องนี่ไงเล่าให้ฟังต่อมาครับพอฟื้นขึ้นมาพี่น้องฟื้นขึ้นมานะเนี่ยซุมามอินนากุมยาวมากิยามาติตุบสูแล้วสูเจ้าจะถูกให้ฟื้นขึ้นในวันกิยามะเพื่อรับการชำระความดีและเพื่อชำระความชั่วก็พี่น้อง พอฟื้นขึ้นมาพี่น้องคนที่จะได้รับเกียรตินะครับพอฟื้นขึ้นมาน่นเดินไปทุ่งมาชัดหมดนะทีนี้แผ่นดินนี้อัลลอฮ์ะจะเปลี่ยนแผ่นดินนี้นะเป็นแผ่นดินที่จะอยู่มานานแล้วไม่รู้ว่ากี่ล้านปีใช่ไหมในกุรานอธิบายตูบัดดิลุลอาร์ดอยร์ลอัร์ดีอัลลอฮ์ะจะเปลี่ยนแผ่นดินนี้เอาออกไปแล้วเอาแผ่นดินใหม่เข้ามาแทน ถ้ายังไงช่พออ่านกุรานายาเนี้ถามท่านน่ดียารสุรนทรรดเราไปอยู่ที่ไหนกันวันที่เปลี่ยนแผ่นดินน่ยอยู่ที่ไหนนบีตอบมาอัลลอฮฺรอหอยู่บนสะพานพวกสะพานนี่ใหญ่น่าดูนะนะบนสะพานน่ะแต่นี่สะพานเน่ยมีอยู่สองสองช่วงช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายก่อนจะเข้าสวรรค์ช่วงนั้นเขาเรียกว่ากัมกรตร สะพานเหมือนกันช่วงแรกเรียกว่าสิรอดช่วงช่วงช่วงที่สองเรียกว่ากอนกอนตรอช่วงช่วงที่สองนี้พี่น้องยืนเพื่อจะรอเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาอานุบังต่างๆสะพานมีอยู่สองสองช่วงนะช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายนั่นอยู่บนนรกทั้งหมดนั้นท่าทตูมเลยเนี่ยโอ้โหบางคนอ่านแล้วขนลุกอันแล้วกลัวนะทีนี้คนที่จะได้รับเกียรติ นะครับในโลกอาคิราะหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วมีทั้งหมดสิบเอ็ดกลุ่มที่สองนี่ปความรู้ทั้งหมดเลยนะหนึ่งคนที่มีอีมานอ่าคนที่มีอีมานแล้วก็มีอามันที่สองแล้วคือคนอาญา่กลุ่มแรกคนอาญา่เลยนเนี่ยมมาเราในโอกาสจะอสูงมากคนที่อาญา่ที่มสัสยิดกี่เวลาห้าเวลา ยิมาไม่มีไม่จะม่มีมมตัมูอัลซินใช่ไหมมูอัลซินคนอาจารที่มัสยิดอัลลอฮฺพี่น้องฉะนั้นใครจะเป็นภรรยาของมูอัลซินดูแลมูอัลซินในดีนี่เป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วน บ, บีขออาให้มูอัลซินคนอาจารย์ว่าไงนะ um อัลลอฮฺมมัฟิรโออัลลอ์อัยโทษให้คนมูอัลซินด้วยทําไมต้องขออัยโทษตออัลลอ์ให้อัยาโทษเพราะมูอัซินบางครั้งละมาอดอาจารชาไปห้านาทีมีหรือไม่มี <S <S, <S แม่บ้านก็ะดาษทฉันจะรอละเส้นอดดูบรรดาจารย์ชาไปห้าหนาทีดูฉันก็หิวบางคนก็ฟังมัสยิดนะที่บ้านผมไม่ฟังจากโซล่านะไม่ฟังทีวีด้วยทีวีจะไม่เชื่อเชื่อเชื่อเสียงมัดนี่พี่น้องอาทีน่นี้ถ้าหากอาจารย์ไวไปนมาเ ส, สียมาอดรอเสียกันมดเลยบงปวดเสียหม ด, ห ม, ห ม, ดมีอยู่ครัง้งตะยอนเล็มาอาจารย์ตีสาม ตัวยอดเลีเราเสียไปแล้วผมอ่าอะไรวะเ น, นี่ทตีสาตัวยอดลีผิดแล้วมึงอาจารย์ได้ครึ่งหนึ่งหยุด <c oughs> นี่ที่เขาคิดมีหมดแล้วพี่น้องเอาต่อมาครับข้อที่สองผู้ที่เป็นธรรมเราเป็นพ่อนี่ยพี่น้องให้ความเป็นธรรมกับภรรยากับลูกๆเราไม่เราไม่เอียงนะไม่มีสองมาตรฐานมาตรฐานเดียวรักพ่อรักพ่ อ, ร, พอรักแม่รักลูกรักภรรยารักตลอดไม่มีความ อายุที่รมไม่มีนี่สําคัญนะอัลลอฮฺะจะตอบแทนให้ในวทุ่มมัชาัดพี่น้องเรื่องที่สามคนที่แต่งกายไม่ตามแฟชั่นอมะไรเมื่อเรื่องแต่งกายก็เอามาเกี่ยวข้องด้วยเห็นมั้ยดูสิถ้าไม่อา่านนะจีสนี่ไม่รู้เลยอัลลอฮฺอักุบะจะนั่นคนที่แต่งกายละเสื้อผ้าธรรมดาไม่โอเวอร์ไม่แพงมีอยู่คนหนึ่งอัลลอฮฺพี่น้องแต่งตัวเสื้อผ้าแพงที่สุดนูจังมาจากฝรั่งเศสน่ะมีไม่มีคนพวกเรานี่แหละ ราคาเป็นแสน่ะมีไหมมีกระนั้นนบีให้เราแต่งตัวแบบธรรมดาใช่ไหมอย่าตามแฟชั่นไปน้องปฏิสติติดมีดีข้อที่สี่กลุ่มที่สผู้ที่รักษาน้ำนามาตอัลลอฮฺุอตฺรักษาน้ำนามาตยอยู่เป็นประจำไิน้องนะเพราะจะมีใบหน้าที่รัศมีจะมีใบหน้าที่อวัยวะที่ถูกน้ำทั้งหมดเป็นฮามิสข อ, อิมามติมีดีข้อที่ห คนที่ถูกรังแกผลคนที่ถูกรังแกแล้วก็มีความสามารถที่จะแก้แค้นได้ด้วยพวกมีอำนาจมีเงินมีสังการนี่ปุ๊บเลยแก้แค้นได้เลยนะแต่ไม่แก้แค้นไม่แก้แค้นอันนี้สำคัญมากพี่น้องคนที่ถูกรังแกบนโลกดุงยาใบนี้ แต่ทั้งท่าที่มีความสามารถมีพวกมีเงินมีนู่นมีนี่เยอะไปหมดแต่ไม่แก้แค้นฉันปล่อยให้อาภัยมันมีไหมมีครับอัลฮัมดุลิลละให้อาภัยไปเถ้ดพี่น้องขอบันทึกของอิหม่ามเลยนะอาหฮมมัดและอดทนกลุ่มที่หกผู้ที่จะนมาทุกคร้งนึกถึงมัสยิด นี่จะอยู่ใต้โรงงานของอัลลอฮ์ทั้งหมดไปน้องอยู่ในทุ่งมาชาร์ดไปน้องฟื้นขึ้นมาแล้วนะยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะรอที่ทุ่งมาชาร์ดไปน้องคนที่นึกถึงนามาดนึกถึงมัสยิดกลุ่มที่หกกลุ่มที่เจ็ดคนหนุ่มสาวที่เติบโตมาอยู่ในการพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหูบาตะลาคนหนุ่มคนสาวคิดถึงลูกๆเราเนะเาดูแลลูกเราดีอัลลอฮ์ไปน้อง ต่แต่อายุสิบสา5สิบสี่สิบห้าสิบหสิบเจดสิบปดสิบเก้ายี่สิบเราน่ประคองดูแลลูกไม่ให้ลูกนั้นพาดท่าไปทำบาปนี่พี่น้องลูกหลานเราได้ไปสวรรค์หมดเลยนะอยู่ในทุ่ง ม, มาชันแบบสง่างามข้อที่แปดชายที่มีหญิงเชิญชวนเรียกร้องมาชวนอารถมาจอเลยไปกระฉันไหมพี่รวยด้วยสวยด้วยผู้ชาิบอกว่า ฉันกลัวอัลลอไปกับเธอไม่ได้มีไหมถ้ามีคุณนี่รอได้เลยเขาอยู่ในสวนสวรรค์แน่ๆมีสักกี่คนถ้าผู้หญิงมาชดมาจอดเนี่ยนะเ อ, เอาก่อนเดี๋ยวตอบาที่หลังอยา่ยาอย่าพี่น้องนี่นบีพูดชมเชยเอาไว้นะคนที่ผู้หญิงสวยรวยเรียกร้องให้ทำสินาะตอบว่างนะอินนีอัคอฟุลอฉันกลัวอัลลอต่อมาข้อที่สิบพี่น้องบริจาคทรัพย์ ไม่บอกให้ใครรู้ยอดตูท้ทีละพันยอดตูบด้บริตทเนี่ยทีละหา้าร้อยทีลบาทไม่มีใครรู้เลยอาจจะเอาเงินให้ใครก็ให้แบบลออาดักอีไนอปมีไหมผมเคยเห็นหลายคนเลยพี่น้องข้อที่สิบอยู่คนเดียวรำลึกถึงอัลลอฮแล้วก็ร้องให้อัลฮัมิลดาพี่น้องนี่สิบสิบกลุ่มแล้วนะกลุ่มที่สิบเอ็ดเจ้านี่ พูดเองเงินนล้วเนี่ยสุดท้ายพูดเรืงเงินแล้วนะเจ้านี้ที่มีลูกนี้เราขอยืมเงินเราไปเนี่ยสัญญาว่าจะให้หนึ่งเดือนหนึ่งอะไรก็ตามแต่แตพอถึงเวลาแล้วไม่ให้เขาเพราะอะไรเพราะเราไปดูแล้วก็ผ่อนตนเนี่ยอาการผ่อนตนนี่แหละเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ผ่อนตนไประยะหนึ่งหกเดือนเจ็เดือนปีสองปีมันให้ไม่ไหวไปดูที่บ้านมัน เออจริงเว้ยแย่จริงๆเลยยกเลยพี่น้องอ่ะฉันทํซาตะกรร้อให้ยกนี่ให้นั่นแหละจะเป็นร่มายให้กับคนคนนั้นในทุ่งมาชัดของอัลลอฮ์สิบเอ็ดกลุ่มไม่เยอะมีแค่นี้เองพี่น้องคนจะอยู่สบายๆในทุ่งมาชัดไม่มีปัญหาเดือดร้อนอัลลอฮ์ให้เกียรติคนสิบเอ็ดกลุ่มไอ้กลุ่มแรกก็ทำงานงายมูอาจินอัลลอฮ์หาคนทําญยาตรงนี้นะคือว่าทํางานโรงงานฝรั่งดีกว่าพี่น้องคนที่รับสมัครเนี่ย ถูกเลือกมาเป็นมูอาินเนี่ยมาเฉดธรรมดาทรมานะสมาสุโบมานอ่กแย่นะต้องตื่นก่อนชาว บ, บ้านก็ใช่ไหมต้องมาสุราวก่อนมาเปิดประตูอ้าวพี่น้องอาที่นี้คนที่อะไรนะได้รับความต่ำต้อยไร้เกียรติในทุกมชาชัดมีอีกมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะสิบกลุ่มพี่น้องเยอะหน่อยนะพูดสั้นๆหนึ่งคนที่ขาดนมาดนมาดไม่ครบถูกแน่ นี่มุสลิมหมดเลยมาประมาเนี่ยคนแขกหมดเลย <c oughs> คนฝังกนี้ทั้งนั้นมันจะฝังกันนู้นเนี่ยเพระาะว่าคนฝังกนนู้นอ่ะชัดเจนอยู่แล้วเอาฝังกนนี้นะหนึ่งคนที่นมามันไม่ครบสองคนที่มจ า, าจาา่ า, าย zakat zakat แล้ก็ hadiyah w a k a ต้องนึกนะสคนที่กินดอกเบี้ยฝังนนู้นเยอะฝังกันนี้ก็มีกินดอกเบี้ยบางคนเก็บดอกเบี้ยที่เนี่ยอะไรเนี่ยตลาดอิมซอบาตนี่ก็มี ข้อที่สผู้ที่ตั้งใจฆ่าพี่น้องของเขาโอ้อันนี้หนักนะข้อที่ห้าโกงที่ดินของเขาที่อิมางบุคฮารีทั้งหมดโกงที่ดินโกงทรัพย์สินครับพี่น้องข้อที่หกผู้ที่กหกความอายุติธรรมนะครับในอิมางบุคฮารีบันทึกคดีมาเจ็ดผู้ที่เย่ยิงจองของอวดดีเขาเรียกวตะกาบุตรถูกหมดเลยครับพี่น้องรู้ไหมคนตะ ก, กาบุตรย่ยิงอรรรลองโทษยังไงให้เป็นตัวนอน เป็นคนแต่รูปร่างเป็นนอน mm. น่ะเกลือเกลือเกลือกลทุกมาชัดนะเป็นนอนั้ำมันภาพจริงๆนะต่อมาข้อที่แปดผู้ที่อวดดีโอ้วโอ้อวดทำความดีเพื่อการโอ้อวดโอ้อวดออดดไม่ได้ทำเพื่ออรรถสุภานุวัตลาไรเกียรติครับในทุกมาชัดข้อที่เก้าผู้ที่มีภรยาเกินหนึ่งคนแล้วก็ไม่ให้ความยึดติรรม เป็นอำมาตาไปครึ่งตัวเห็นชาติเลยมาเดินมาโอ้โหกลุ่มนี้เยอะโอ้เฮ้ยอรอเลี้ยงเมียแบบแบบแบบแบบแบุฟเฟ่ระวังระวังไปน้องอ่ะแล้วขอวต่อร้องให้ให้ความยุติธรรมแต่เมียเมียไม่ร่มวมก็ดุแล้วเกินมาจะประกาศให้ใครรู้ก็ไม่ได้เอาไปน้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังของจริงนะเล่าของจริงให้ฟังนะเอาต่อมาข้อที่ข้อที่สิท ไม่มีความจําเป็นลรขอเงินชาวบ้านเราผมนึกถึงเป็นน้องที่วันนั่งขอที่สุราว์เถ้าจนจริงๆไม่มีปัญหาถ้าไม่จนแล้วมาขอเป็นนิสัยอันนี้ระวังนะที่ใบหน้าไม่มีเนื้อมีแต่มีแต่กระดูกอย่างเดียวอ่ะเอาต่อมาข้อที่ข้อที่สิบอ็ดผู้ที่ทรยศต่อบิดามารดาเห็นไหมอลร่อยให้เห็นทั้งสองโลกนะคนที่ทรยศต่อบิดามารดาโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยนะครับพี่น้อง ข้อที่สิบสองสามีที่ปล่อยให้ภรรยาคุ้มกับใครก็ได้โอ้เห็นยังครับมีภรรยาต้องดูแลภรรยาให้ดีอปล่อยให้ไปเดินกับชาวบ้านให้ผู้ชุมผู้ชายมามั่วๆอยู่ในบ้านไม่เอาต้องรักษาภรรยาเราให้ดีข้อที่สิบสามพี่น้องหญิงที่ทําตัวเหมือนผู้ชายมีเปล่าเมื่อวานผมคุยกับใครไนมะ่ทราบทวารชันมุสลิมเยอะที่สุด ที่ทำอย่างเนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เด็กมุสลิมเนี่ยเยอะที่สุดอ๋ออากรบเด็กมุสลิมเยอะที่สุดทําตัวเป็นผู้หญิงทําตัวเป็นผู้ชายพี่น้องข้อที่สิบสี่แกชร า, าแล้วอ้ออ้อแล้วพี่น้องแกแล้วสอว์แล้ ว, ล ว, ว, ลวยังทําจีนาอยู่เลยผมมีอยู่คนเล่าให้ผู้ฟังฉันเนีเมียไม่ให้นอนด้วยพญาไม่ให้ถูกตัวเนะ่ะเวลามีอารมณ์ทาไงไม่หาสวนเพนีอ่ พวบอกวาอาจารย์เป็นไงพวกบ่กอ้าวนี่มันบาปใหญ่นะก็เมียม่ยอมอ่ะเมียไม่ยอมไ ม, ม, ม่ถูกตัวเลยสลัดปึงปึงอันนี้ก็ทนไม่ได้ก็ไปก็จะไม่มาถือบวชละแล้วลมันกะนี่กล้ามาแต่งใหม่ก็ไม่กล้าบางกลัวบางเราก็ตามแต่พรานแกแล้วไปทำจีนาอีกอลอระวังให้ดีเนี่ยสิบสี่กลุ่มในวันพิจารณจะไม่ได้รับการ ยกย่องให้เกียรติกับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและ تعالى อัลลอฮฺพี่น้องอทีนี้คุณอานว่าไงนะซุมมาอินนะกุมยาอุมตียัมติตุมบอาซูน สุ ม, มาอินกุมยาุมัลกิ亚马ติตุบาสูแล้วสูเจ้าจะถูกในฟื้นขึ้นในวันกิ亚马เพื่อเพื่อรับนี่มาคำอธิบายนะเพื่อรับการชำระความดีเพื่อรับการชำระ ค, ความชั่วแต่คำแปลเนี่ยไม่มีแต่คือคคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆครับพี่น้องเอาต่อมาครับ มีอีก h a ด i s หนึ่งเอา h a ด i s มาอธิบายนะง่ายดีนะผู้ที่จะรับความลำบากผู้ที่จะรับการทดสอบช้าชีวิตแบบลำบากลำบากนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเขาเป็นมุมนเขาจะถูกสอบสวนแบบง่ายได้อธิบายอย่างนี้มีอยู่ฮ a ด i s หนึ่งอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าตูจิตตามียวนายามันตียามในวันกิยามะนะ้พี่น้องมันมุดจะถูกรวมกัน พอรวมกันดีแล้วพออยู่ก็รูมื่อไกล้าจะยืนประกาศเป็นนิเสียงประกาศบอกว่าไงนะไอนาฟุกรออูฮะดีฮิลอุมมอะวามสาจีนุฮ่าอุ่มมะของนบีมูฮัมหมัดคนยากคนจนคนที่อะไรนะคนที่อยากขัดสนคนยากคนจนอยู่ที่ไหนเยืะขึ้นให้หมดพอคนอยากคนจนยืนขึ้นพวกคนยากคนจนก็พูดกับอาาัลลอฮ์บอกว่ารอบบานา อิบตาไลานาฟาสบัตนาคนจนที่มีาศาสนามีไหมมีครับผู้ระยาอลัาอลลออัลลอนทดสอบพวกเราให้เงินน้อยลำบากยากจนบ้านกะหลังเล็กๆถ้าฉันอดทนมาตลอดเลยทั้งชีวิตของฉันไม่เคยทำบาปมีไหมมีครับอิบตาไลานาเรานี่ถูกถูกทดสอบฟาสบัตนาแต่เราก็อดทน ไม่ไม่ฝืนคําสั่งอลัลลอฮ์ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่จนอยู่แล้วเนี่ยหวยกว่าไม่ซื้อมานมาดไม่มาชาวบ้านบีบางคนที่มานมาดที่มสัสยิดล้วรีบกลับมีไหมมีน บ, บีถามว่ากลับไปทําไมอะ่ะเขาบอกฉันมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวฉันรีบใส่มานามาดล้วรีบกลับบ้านเพื่อจะถอดภรรยาสวมใส่นั่นคือคนจนในสมัยน บ, บีข้ามานมาตาวมานมาดที่มสัสยิดแล้วเอาคนประเภทนี้อธิบายไปน้อง เพราะว่าอย่างนั้นวาวันไล่ตะอัมวาลาวสุลตันอัลลอฮ์เนี่ยให้เงินบอกอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันลำบากฉันอดทนอำนาจเงินทองทรัพย์สินอัลลอฮ์ Allah ไปให้กับคนอื่นหมดเลยกับพวกเราไม่ให้อัลลอฮ์ว่าใช่ใช่ใช่ท่านพูดถูกนะไฟยาคุลุลอัลลอฮ์สาวมาไลกะซาดักตุมพวกพวกคุณนะพูดจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นฟาตาดุคฮุลูนัลจันนาตาบลาหน้าส ให้คนเหล่านี้เป็นคนจนเหล่านี้เข้าสวรรค์ก่อนคนอื่นๆทั้งหมดเชิญเข้าสวรรค์เลยดีไหมพี่น้องอัลลอฮฺพี่น้องเห็นอย่างครับความลำบากบนโลกดุนยาแต่เราไม่ไม่ได้ไปทำให้เราเสียคนไม่ได้ทำให้เราลืมศาสนาไม่ได้ทำให้เราต้องลืมอัลลอลืมลืมศาสนาลืมนา ม, มุนมัดไม่ลืมแต่เราก็อดทนหมั่นขออุทอาต่ออัลลอฮตลอดเวลาผลสุดท้าย อัลลอให้มาลาิกาพาเข้าสวรรค์เป็นกลุ่มแรกๆเลยฟะตาบกอชิดดาตัละิซามอาลาาวิลอัมวาลิบอสุนตอนคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีอำนาจเป็นนู่นเป็นนี้เป็นอบตสอจอสอขอเป็นผู้ว่งผู้ว่าเป็นน้องรอก่อนอัลลอจะเช็คบัญชีคนเหล่านี้ว่ามีเงินเอาไปทำอะไรมีอำนาจเอาไปทาอะไรมีเกียรต ในสังคมแล้วเอาไปทำอะไรดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์หรือเปล่าไปไหมพี่น้องพออ่านแล้วกลัวอยากรวยกันทุกค น, กคนใช่ไหมรวยแล้วถ้าจ่ายเงินไม่เป็นก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องอ่าฮะดีคุยมามตบบรอนีนะครับพี่น้องอัลลอฮฺอุบักบัเอาต่อมาอีกคดีหถึงท่านนะบีนะครับ น บ, บีจะขอดูอาบางบางเวลามัจะขอทุกเวลาบางเวลาท่านหญิงอัลชาดเล่าเองขออย่างนี้ฉันได้ยินท่านนบีอ่านดูอาขอดูอาบางเวลาของนามาตวัตูนี่แหละขอว่างี้อัลลอฮุมมา حاسب ันีฮิซับัยยาซีรอโออัลลอฮ์อัลลอฮุมมา حاسب บนี ใคซาบายยาซีรออัอลลอฮฺโปรดทำคิดบัญชีของฉันแบบง่ายๆ่ายนี่น บ, บีขอดูอาใครยินใครได้ยินพะยาได้ยินทื่อาหญิงอิชชาด้ยินน บ, บีขอดูอาอย่างนี้อัลลอฮุมมหสิบแบนี้ใซาบายยาซีรออลัลลอฮฺจะคิดบัญชีฉันแบบง่า ย, ายๆ่ด้วยเธอิ้าหญินอิชชาถามน บ, บี คิดบัญชีง่ายๆหน่อหมายความว่าอย่างไรงพญาสงสงยซอะนบีตอบอัลลอฮ์นำเอาบัญชีของเรามามาเปิดแล้วก็มองแล้วก็ผ่านไปเลยดีไหมนบีอธิบาย ช, ชัดมากไปน้าหยิบบัญชีของเรามาของนายมุสตอฟวาอยู่เป็นสุขเอามาเปิดเปิดเปิ ด, ปดส่งไปอัลลอฮ์ <laughs> นบีอธิบายจึงางชาดดีใจมากเลยอัลลอ์อักุบะตน ถ้ายิบบัญชีมาแล้วก็บเปิดทีละล่าตายก็จะอันหน้าไว้พี่น้องขอมาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮุมมาสิบนนฮิซาบัยยาซีรออัลลอฮ์จะให้คิดบัญชีฉันแบบง่ายๆพี่น้องโอ้พี่น้องเนี่ยไม่อยากจะให้มีปัญหาอย่างนี้อ้าต่อมาอายาที่17พี่น้องวะละกอดะคาละกอนาฟาวก็กุม س ب ع َ ط ر ِ ق َ وما كنا عن الخلق غافلين، ولقد ََ خلقنا ََ فوكم ُ س ب ع َ ط ر ِ ق َ وما كنا عن الخلق غافلين. อ่นอีเที่ยวนะอร่อยจริงๆอ่านะญาณีน่ะเวลาก็ดาขอลรก่อนาฟ้าขอคุมสับปะรดไร้กวาไม้คุ้นงานนิ้วขลกราฟีนไอ้ไหมขลักนาอีลยเราได้สร้างสร้างในแบบไม่มีอะไรนะไม่มีแบบไม่มีแต่น ไม่เคยเลอกแปลสไครเลยของอัลลอฮ์เนี่ยคือว่าทําบิดอะไรบิดอานี่เขาเรียกบิดอาทําไม่มีแปลนนอกแปลนเลยบินอาคดีพี่น้องเรามุสลิมเราบางคนเนี่ยพูดว่าอัลลอฮ์ยังทําบินอาเลยเราก็ทําตามอัลลอฮ์ทำบิดอวาว่างใครบอกให้คุณทําบิดอนานบีห้ามไม่ให้คุณทําบินอาให้ทําตามนาบีอย่างเดียวของนบีไม่ทำอย่าทำเหนื่อยฟรี ทำแลวบุญแล้วบุญไม่ได้ ท, ำทำําะมาคุณอ่านอาญอ า, าไหนอามีลาตุนนาซีบะทํางานเหนื่อยตัสลานารนาเมียโยนลงไปในไฟนรถก็ ท, ำทำํ า, าทําไม่ไสยนาอุมัดอธิบายญาณนี้กลัวหมดเลยอะทํางานเหนื่อยเอาเห็นใครครับเห็นพวกบาลหลวนไสยนาอุมัดยืนนะครับยืนให้อะไรยืนต้อนรับเนะี่ย แค่ okay. บาตหลวงนี่ยืนต้อนรับไซนาอุมัดที่ประเทศอียิปต์หลังจะยึดยึดแล้วเนี่ยนะไซนาอุมัดก็ไปพวกนี้บาตหลวงยืนต้อนรับ เ, เต็มไปหมดเลยท่านก็รอ้รองให้ท่าร้องให้ทําไมไซนาอุมัดฉันเห็นพี่น้องบาตหลวงแล้วเนี่ยเชื่อนบีอีสาหจริงหรือเปล่าเชื่อนบีมูซ่าจริงหรือไม่จริงตัวันนี้เป็นห่วงแน่เพราะมันไม่จริงอะ่ะยึดนบีอิสา์เป็นลูกอัลลอฮ์ทูลพิษ ผิดหมดเลยอ่ะท่าเลยร้องไห้อ่ะพอร้องไห้ก็อ่านกูอ่านอามีลาตุนซีบะงานเหนื่อยงานหนักสอนคนให้รู้จักนบีอีซาว่าเป็นลูกอัลลอฮ์ตัสลานารฮามียะแล้วก็โยนลงไปในไฟในรถแล้วทำทำไมงานเหนื่อยแบบนี้ทําไมไม่เดินตามนาบีมุฮามาัดเพราะว่าคําสอนของนบีนั่นมันชัดเจนอยู่แล้วเห็นไหมร้องไห้อัลลอฮฺอัลกัต อามาครับว um ah ่าแล้วก็ดอลักนาฟาวกกุมสับเปล่าพอรอีกอว่ามากุนนานิลขลกิวอฟิลินว่าแล้วก็ดูลักนาและแท้จริงเราได้สร้างโดยแน่นอนยิ่งเราได้สร้างขลักกนาเราได้สร้างฟาวกกุม เหนือหรือเบื้องบนของสู่เจ้าเราได้สร้างเหนือศีรษะของท่านทั้งหลายหรือเบื้องบนของท่านทั้งหลายทราบหร่าแปลว่าเจ็ดต่อร้ออีกแปลว่าวิถีวิถีเราได้สร้างไว้เบื้องบนของสูรเจ้าอะไรนะ mm hmm. วิถีหมาถึงระบบสุริยะจักรวาล เราบกสุริยะจักรวาลตรออีกเดี๋ยวนี้มีความหมายจะสองอย่างหนึ่งแปลว่าทางเดินสองแปลว่าเป็นชั้นชั้นตรออีกเนี่ยแปลด้วสองความหมายนะเป็นชั้นชั้นชั้นฟ้านะั้มีทั้งหมดกี่ชั้นนะเจ็ดชั้นรู้ได้ยังไงครับจากอัลกุรอานสอนเรถ้าเราไม่อ่านกราุรอานไม่รู้มองด้วยสายตาไม่รู้เลยว่ามีกี่ชั้นพออ่านกราุรอานปั๊บซราบอาสามาวัด อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้านี่เจ็ดชั้นต่อรออีกแปลว่าเจ็ดเอ้ซ้ำอ้าแปลว่าเจ็ต่อรออีกแปลว่าชั้นเจ็ดชั้นเป็นอย่างนี้บรรยากาโลกเป็นอย่างนี้เขาชั้นชั้นชั้นชั้นที่หนึ่งกลมต่อมาอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองต่อมาชั้นที่สามต่อไปอีกชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ด นอกเหลือชั้นที่เจ็ดมีน้ํานี่คุณอานอธิบายเป็นน้ําหลังจากน้ําบาลังอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะตาลาดีไหมนี่บาลังอัลลอฮฺอยู่บนน้ําออธิบายนึกว่า น, น้ำทะเลเนี่ไม่ใช่ไอันนี้มันเล็กๆในนอ้อยอยู่บนดุนยาชั้นที่เจ็ดหลังจากชั้นที่เจ็ดคือน้ําเหนือบนน้ํา อารักขอบลอ์สุบฮานะฮู ว, วะตะอัลาอัลล์นั่งอยู่นบริหารโลกดุญยาไปนี่มบนเดินก็เปน้อทีนี้อัลลอ์เล่าให้ฟังนะชั้นในนัสร้างนชั้นฟ้าเหนือศีรษะของท่านเบื้องบนของสูเจ้าชั้นฟ้ากี่ชั้นนะเจ็ดชั้นตอรออีกแปลว่าชั้นอีกอายะหนึ่งอายานี้แหละอธิบายอย่างนี้ตอรออีกหมายถึงทางเดินพวกตอริกัดตอิกัดศัท์นี้แหละตอริกัดเนี่ย เป็นทางเดินเอายึดตระครูตรครูนั้นตระครูนี้เจนซาซาลีบ้างอับลูคอดิเจลานีบ้างคนแล้วนี่ก็เป็นสุนทร่ายังดีนะแต่ไปจับอะไรติดประชายกันเอามาอย่าไปตำหนิปล่อยไปกันตอร้ออีกแปลอยู่สองอย่างตอรออีกแปลว่าอะไรนะชันต่อร้ออีกแปลว่าทางเดินถ้าทางเดินอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้มาลาอิกะ เป็นทางเดินทางผ่านของบรรดามล拉อิกาที่ได้รับคำสั่งจากอัลลอ์อยู่บนจากบันลังอัลลอ์ก็ต้องผ่านไงผ่านชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดมาชั้นที่หกมาชั้นที่ห้ามาชั้นที่สี่มาชั้นที่สามมาชั้นที่หนึ่งลงมาสู่โลกดุนยานี่เพราะยขึ้นลงทุกวันพี่น้องเป็นทางผ่านเป็นทางเดินของบรรดาลาอิกาทั้งหมดยิบรีด ได้รับวะฮีจากอัลลอ์จากอรัชมาผ่านนา้ำผ่านชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดที่หที่ห้าที่สี่ที่สทีย่วทั้งมาถึงนบีมุฮัมมัดบนโลกใบนี้เอาคำสั่งของอัลลอ์มาให้กับนบีขึ้นลงวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่สิบเที่ยวแคะนั้นตอรออีกตรงนี้แปลในความหมายได้สองอย่างทราบว่าเอาตอรออีกแปลว่าชั้นฟ้ามีทั้งหมดเจ็ดชัน้นหรือ ชั้นฟ้าเจ็ดชานนั้นเป็นทางผ่านของมาลาอิกะขึ้นลงวันหนึ่งหลายๆครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮิโน้องเข้าใจเลยนะฉะนั้นอัลลอฮ์นี่ น, ลลนนะเวลาสร้างโลกแล้วเนะไม่ได้ปล่อยนะนี่สร้างโซลเราแล้วปล่อยยุโรปนนี้มาเนะี่ยใช่ไหมแต่ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยบางทีสร้างบ้านนะ กว่าจะเสร็จะเปลี่ยนช่างนะสามันเี่ก็่สี่แต่ของอัลลอ์ไม่เปลี่ยนครับฉันสร้างแล้วรับผิดชอบดูแลอัลลอฮอัอดูอายาตต่อไปวามากุลอานนลคอลกิรอฟิลีนและเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมยกอฟิลินแปลว่าเฉยเมย ไม่รู้ไม่ชไม่สนใจไม่เอาใจใส่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้เฉยเมยนะครับอั น, นิลคขอลกักต่อการสร้างของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างอะไรมาอัลลอฮ์ดูแลเลยสร้างมนุษย์มา้าก็ดูแลมนุษย์สร้างชั้นฟ้าก็ดูแลชั้นฟ้า อ, อขนาดสร้างมนุษย์นีกี่ขั้นตอนนะเจ็ดขั้นตอนเล่าให้ฟังเลยเห็นไหมเห็นยังครับ ว่ามากุนานิลคอลกิโรฟิลีนและเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมื่อต่อการสร้างหมายความว่าไงนะเมื่อสร้างมนุษย์มาจากเจ็ดขั้นตอนสร้างจากดินนาอาสุจิเห็นยังอ่ะรับผิดชอบหมดเลยจากอาสุจิเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อเป็นก้อนเลือดก้อนก้อนเลือดเป็นกระดูกเนื้อหุ้มกระดูกเปล่าวิญญาณเอาว่าไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้ปล่อยให้อยู่ชาติชีวิตเองโดยไม่ได้มีคําสั่งมาไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งนบีมาอีกใช่ไม่ใช่อ้าวส่ง น, บ, งนบีอาดามมานาบีนูอิบรอฮีมูซา่าอิสานาบีคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดเอาความรู้จากอัลลอฮ์มาสอนให้กับมนุษย์ให้คิดแบบนี้และให้ทําแบบนี้นี่ไงทิ้งหรือเปล่าไม่ได้ทิ้งเห็นไหมอา้าววั น, ว, นวันหนึ่งก็สอนอกีกสุบโบห์ให้ตื่นแต่เช้านะ และนอนแต่หัวค่านะใครสอนอัลลอ์บอกกับนาบีฮะบนาบีมาสอนตื่นนะมาซุบะต์นาตอนตีสีนะยิ่ตื่นก่อนประมาณชั่วโมงได้นมาตะฮัดยุดใครสอนอ่ะอัลลอ์ทั้งหมดนี้เนี่ยวามากุนนาอานิลลกิวฟิลนเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมยต่อการสร้างสร้างมนุษย์ม้าให้มาริกามาสคุมกี่องค์อ้าซ้ายขวาข้างหลังมีอีกนะข้างหน้าข้างหลังอีกสองบป็ีองค์อ่ะ ลงทุนเท่าไรเนี่ยลงทนดูแลคนเนี่ยพี่นออ้องอ๋อลมีวัลไรกะอยู่สีองค์กํากับหน้ากํากับหลังปกกันไม่ให้อะไรถูกบัลงบัลาถูกฟิชนาถูกรังแกถูกพัดลมหล่นทับบ้างอะไรบ้างรักษาหมดเนี่ยอันนี้มันทึกทรายมันทึกดีบันทึกชั่วมันทึกหมดเนี่ยอ๋อลมีลงทุนขนาดไหนสร้างคนคนมาคนหนึ่งเตรียมที่อยู่ในกุโบไว้แล้วเตรียมที่อยู่ในนรกไว้แล้วเตรียมที่อยู่ในสวรรค์ไว้เตรียมไม่หมดนะพี่น้อง ไม่ได้ปล่อยปลวเลยมนุษย์เลยใช้ไหมอ้าวดูสายตาไหมให้หูมาให้ตามาให้จมูกมาอัลลอคิดคดูให้ดีพี่น้องถามว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอจริงๆนะไม่มีอะไรเลยสยางใช่ไหมใช่ออามาดูต่อไปพอเจริญเติบโ ต, ตดีนะครับอัลลอกอ็ดูสิให้ให้โลกดุนยาไปนี่มาให้แดดมาใช่ไหม มีแดดมีแล้วก็มีลมมีให้อาหารมีให้ผลไม้มีให้ออกซิเจนใช่ไหมพี่น้องแล้วก็ให้เรือมาให้น้ําทะเลมาให้ลมมาอากาของใครนี่ของอัลลอฮ์หมดเลยไม่มีใครคิดทําเองสักนิดหนึ่งก็ไม่มีมนุษย์คิดอะไรบ้างพี่น้องไม่ได้คิดได้เลยเอาของอัลลอฮ์มาผสมกันใช่ไหมอย่างน้ําร้อนเนี่ยผสมกับการน้ำกับไฟของอัลลอฮ์ทั้งหมดเราให้เรากิน ไม่มีอะไรมนุษย์คิดเองไม่มีสักอย่างหนึ่งทั้งหมดมาจากอัลลอ์หมดเลยอัลลอ์เลยพูดเป็นรวมๆบอกว่าว่ามากุนอานนลคอลกิสกอฟิลีนเราไม่ได้เป็นผู้เฉยเมยต่อการสาร้างอัลลอฮฺอักบะรพี่น้องทั้งหลายอา้าวให้สัตว์มาเองใช่หรือไม่ใช่เป็นแพะแกะวัวควายเนื้อแพะกับเนื้อแกะเนื้อไหนอร่อยกว่ากันเนื้อแกะอร่อยกว่า อ้าแกะอร่อยกว่าเพราะว่าตอนที่นบีบรูฮิมเชื่อดอิสมาอินเอาอะไรมาเปลี่ยนแกะแกะมีขนอยงองมเนื้ออร่อยฮัมดุลิลละแต่นบีชอบเนื้อแพะชาติตรงสนเนื้อแพะด้วยเนื้อแกะด้วยฮัมดุลิลละไปน้องเห็นยังอ่ะอัลลอฮฺให้มาหมดเลยอ้าดูต่อไปไห้เรือมาไห้น้า ม, มาอัลลอฮฺให้ต้นมากรอกมาอัลลอฮฺไปน้องให้มาดูแลมนุษย์หมดเลยไปน้องั้องาย อายที่สิบแปดว่าอัน زلنا من السماء ما أم بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهب به لقادرون Allahu Akbar وأنزلنا من السماء أمبقدر فأسكنه في الأرض وإن على ذهابه لقادرون اللهم ر ه آية ที <osium los presum ils> ่สิแปดและที่สิบเกนี้อัลลอฮฺต้องการจะอธิบายว่า ฉันดูแลมนุษย์ด้วยอะไรไม่ให้มนุษย์ตะกะบุดไม่ให้ยิงให้นึกถึงอนะัลลอฮะฉันดูแลมนุษย์สร้างมาแล้วผ่านขั้นตอนถึงเจ็ดขั้นตอนเมื่อสร้างมาแล้วฉันไม่เคยฉเฉยเมยรับผิดชอบดูแลอีกอะไรบ้างอายาตัางตอไปนี้ให้อะไรมาครับเพื่อดูแล ว, วิญญาณตัวเองเนี่ยพี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองดูนะครับว่าอันซัลนาะเราได้ ส่งลงมาเราได้ประทานลงมาเราได้หลั่งลงมาสั่งอะไรครับมีนั ส, สมะจากชั้นฟ้ามาอันอะไรครับน้ำ water อัลลอฮ์ได้หลั่งน้ําลงมาจากฟากฟ้าเห็นไหมพี่น้องมาเองหรือเปล่าฮินดูบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวพระเจ้าแห่ง แห่น้ําฝนมีตังหะองค์หนึ่งรับผิดชอบน้ําฝนอย่างเดียวชิริกษ์ยังแรงเลยไนเพื่น้องมานามบูซันฉันนโอ้ทำ ง, งานของฉันให้เพนให้ดูมารับอิสลามชาบมากเลยนะอักีดามีพระเจ้าตรงหมืน่นหมื่นองนะที่นั่นในอินเดียเอาต่อมาครับให้น้ํามาบีกอดารินตามปริมาณอัลลอฮฺเห็นว่าพื่น้องไม่จะให้เยอะ ให้เท่าที่มีความจําเป็นจําเป็นจําเป็ น, ปนตามปริมาณเนี่ยพี่น้อง of, องัลลอฮ์พี่น้องพระผู้เจ้าฝนอัลลอฮ์ให้นําฝนมาเนี่ยตามปริมาณบิก็ดัสเนี่ยก็ดัสแปลว่าปริมาณไม่มากแล้วก็ไม่น้อยพอพอดีพอดีพี่น้องนะขอบคุณอัลลอฮ์นะทีนี้ฝนตกเนี่ยพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นบีอัลดีใจเมื่อฝนตกแต่บางวันก็กลัว พอตั้งเข้ามานึกนี่จะเป็นแบบอะไรนะ่ะผวกอาสมุรหรือเปล่านึกนะ่ะลมพายุมาก็กลัวแล้วอลัลลอฮจะไม่พวกอาสมุดไหมมาเจ็ดวันเจคืนแล้วไม่หยุดคนตายหมดเลยนึกหมดเนี่ยถ้าเรามีผูกพันกับศาสนาะอะไรที่อลัลลอให้มากลัวไว้ก่อนอย่ารอเนี่มันจะแรงหรือจะเบาจะมากหรือจะน้อยนึกที่้อ็ทั้งหลาย อ, อ้าวข้อานี้อธิบายดีเราได้ประทานได้หลังน้ำลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณนะครับพี่น้องแล้วก็ฟะาอสกันนาและเราได้ให้น้าเนี่ยมันขังอยู่อัสกันนาแปลว่าให้มันขังอยู่ไอ้ที่ขังขั ง, ขงตามควองเขตนี่ใครให้ขังอ๋อหรขังที่ไหนบ้างครับขังที่ลำน้ำที่บึงที่ห้วย ที่ทะเลและในบาด า, อาลอลาวคุมหเลย น, นั่นเองน่ะอาคุมใจเพงปูเดียวใตบ้บดงบาดาลใช่มก็จะบาอะไรห้ามว่อย่าขุดด้าบาดานานเะพราะดินมันจะยุบนี่เขตบาเราเนี่ยยุบ ป, ปีละหราปีละเซนืครึ่งเซนไม่สุดเพราะขุดน้าบาดาลกันเยอะนั่งอ่านน้อา้าเก็บไปไหนเก็บหล ห, หนึ่งเก็บไว้ที่ลำงามสองลำคลองสามที่บึงสี่ที่ห้วย ห้าทะเลหกในาบาดาในาน้ำในในาบาดาอาลัลลอ์คุมน้ำไว้อัสการนาหูเราได้ให้น้ำนักขังอยู่น่าัึงเจ็ดแปดที่ด้วยกันเพื่อไม่ให้น้ำมันเน่เอาอัลลอ์ให้ขังที่ไนเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่คนลกเหนือคนลกได้อ่ะทันฝีมือใครอ่ะบุษราไม่เกี่ยว ของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้น้ามันขังไว้ตรงนั้นเพื่อไม่ให้น้ํามันเสียาไงไปน้องอาจเป็นน้ําแข็งแลว้วก็ละลายมนุษย์เอามาใชาย้ยังไม่นึกถึงอัลลอฮ์อีกเลยอัลลอฮ์ <Allah. S 1> ผมอ่านที่ตัองใช้ภ า, าอุ ด, ดูหมดเลยนะภาษาไทยไม่มีผมอ่านไม่มีเลยโดยภาษาอุ ด, ดูอัลลอฮ์อักบะฮอะไรกันเนี่ยอุลามาอินเดียเนี่ยให้ความรู้อัลลอฮ์อักบะฮให้เราเปิดสมองอัลลอฮ์ลกะฮ์น้ําแข็งมีได้ยังไงไม่ใจะมีขึ้นมาเอง อัลลอฮฺสั่งให้น้ําตรงนั้นไปรวมตัวกันพอเป็นน้ําแข็ง น, น้ําเน่าไม่มีน้ําเสียไม่มีอัลลอฮฺจับเป็นน้ําแข็งแล้วก็ให้มันละลายออกมาถ้าละลายหมดเมาาื่อไรกิยมัดทันทีเพราะน้ําแข็งละลายนี่อันตรายนะน้ําแข็งละลายเพื่อเอามาใช้เป็นประโยชน์พอบีก็ได้ลิ้นตามปริมาณที่กาหนดไว้ถ้ามากไปเป็นไงท่วมโลกกิยมัดครับอย่างนาบีนุ่นะเป็นไงครับ พคนสมัยนั้นไม่เชื่อว่าเรือใน บ, บีนัวแล่นบนน้าได้เพราะไม่เคยเห็นน้ำมาก่อนด่านบีนัวนัวจะบ้าได้ไงสั่งเรือมาทําอะไรพอเสร็จแล้วพออัลลอฮ์ให้น้ําฝนตกลงมาให้น้ําขึ้นจากแผ่นดินไปน้องกลาวันนั่ละตายกันเรียบหมดเลยเพิ่งรู้เลยอ๋อฝีมืออัลลอฮ์ผ่านน บ, บีนัวอันเดย์ทิสซลาบีนัวเอาต่อมาครับ ฟ, นนะฟดีเราได้ให้น้ำนี่นะขังอยู่ตามฟิลอาบดีตามแผ่นดินถ้าไม่อธิบายนะไม่รู้แผ่นดินอะไรบ้างหนึ่งอะไรนะลำน้ำลำคลองบอ่อเห็นไหมแล้วก็บึงแล้วก็ห้วยแล้วก็ทะเลใต้ในบาดาลเราขังไว้ในแผ่นดินทั้งหมด و إ ِ ن َّา على ذهابٍ به ِ ل َ قادر ุน ذهاب <ون> เนี่ยแปลว่าออกไปหรือแห้งไป ذهاب แปลว่าไปออกไปให้น้ำมันหมดไปให้น้ำมันแห้งไปให้น้ำมันเหือดไปว่าอินน ا, ا และเรานี่นะละกอดิรุณ <ون> มีความสามารถที่จะทำให้น้ำนี่มัน แห้งไปให้เหือดไปหรือหายไปจากแผ่นดินก็ได้นี่เล่าให้รู้เลยว่าฉันสามารถให้น้ำนะั่นมันขังอยู่ในแผ่นดินขังที่ไหนขังในบอ่อในคลองในลําน้ําในบึงในห้วยในทะเลในบาดาลฉันทําถ้าจะไม่ให้ขังให้มันเหือดแห้งได้ไหมได้เห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับเนี่ยนี่ความสามารถของกายตัวตะเกียร์นะ ของจิงโจกอ่ะที่กลัวจริงโจกขนาดผ้าเขียวผ้าแดงช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ไปเนาะนสดงเวลาลงหาเปลือหาปลาที่แถวแถวยาลาปัตตานีนาลาติวดัดแถวแถวไรสงขลาเอาผ้าเขียวผ้าแดงมาแขวนทํำไมเข้าใจว่าไอ้ผ้าเขียวผ้าแดงน่ยช่วยได้ก็หกหมดเลยอัลลอฮ์ก็ตะกีนี่ยล่าไปฟังที่มาลมใครคุมอัลลอฮ์คุมแล้วก็อะไรอีกนะ ลมภูเขาทะเลเราคุมบมดใช่ไหมพึ่งทำไมอ่ะแล้วก็มีภาษาหมายเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรอะ่ะเจ้าอะไรเจ้าที่ใช่นไหมต่างภาษากันจงมาทั่งมุสลิมกันเลิกไปด้วยไปน้องเอาอ่านมาอีกครั้งว่าวอัลจัลนามินสมัสมาอิมาอัมบิกาดาร์ฟาอักันนาฮูฟิลอะ ว إ ِ ن َّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ ا ل َّ ه ُ أ َ ك ْ ب َ ب ر แล้วเราได้หลังน้ำน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณแล้วเราได้ให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่ตามแผ่นดินเช่นอะไรบ้างลำน้ำลำคลองที่บึงที่ห้วยที่ทะเลแล้วก็ในบาดาล และแท้จริงว่าอิ น, นาอาลาฮาบินแท้จริงการที่จะให้น้ำออกไปสู่ทะเลหรือแห้งนั้นไปจากดินนั้นคลายทั้แล้วก็ดิรุณเราก็มีความสามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอนนบีสอนเวลาน้ำแห้งๆจะทำไงให้นามาตขออะไรขอฝนห็น ยอผมกลับจากมากาเนี่ยเล่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยชอบทําบุญกลางนากันทำมาโยกเยกแก้อย่างไรย่อก็นั่งคิดพูดแรงญาติพี่น้องก็ทะเลาะกันก็วางแผนไปคุยกับคุยกับตัวปุ๋ยก่อนบอกว่าอย่าทําไม่ได้หละแล้วมันจะแก้อย่างไงหนูวางแผนมาสิให้วางแผนกันนะคุยกันนะกูญากิวนจะรอเกันอะย่อบอกว่าเอางีไอ้นั่งกลางนาเนี่ย มันเจ็บตูดกีเจ็บก้นมันเป็นอะไรแห่งใช่ไห ม, มล่ะแล้วก็ไปนั่งทําไมเจ็บหละถึงจะเอาส่วไปปูลแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะ่ะออกลูกนี้ดีไหมอ้าอ้าวออกลูกนี้ว่าพี่น้องขอร้องได้ไหมอย่านั่งกลางหน้าได้ไหมเจ็บเจ็บก้นแล้วมึงจะทํายังไงก็นั่งในสโเราไม่ดีเลยอาอายาจากโซฟาจากกลางหน้ามาอยู่ข้างนาั้นนั่นก็ถูกดานีกนะ่ะ อ, อยู่ว่าบี ไอ้คณะไม่ไปเรียนมากางไม่กี่ปีเองมาวาง อ, วอะไรต่ออะไรห้ามนู้นห้ามนี่ในดูที่หนึ่งเรื่องที่สองมาก่อนมีมีอาจารย์สองครั้งแล้มีมาอาชิวลมุสลิมีนะวะรูมรอตัลโมมีนีนะไร้วะกู ม, มุลออนเล่าาฟังเองนะจะเลิอกอยังไงครับเอางี้ให้บิลานนี่นะอ่านแล้วกว็แปลอ่านแล้วกว็แปลประมาณสักหกเจ็ดเดือนพอเขา นี่รู้รู้ยังว่าเขาอ่านก่ อ, อ, น, อ, อนคุณบา้างเขาอ่านมาเนี่ยรู้ข้างปลยังรู้แล้วเข้าใจไหมเข้าใจทําได้ไหมได้วันนี้หยุดไม่อ่านนะมาเิา ร, าา ين, ร, รุ่มุสลิมีนวะซุมรอตัลมุมินีนละหิะกุมุลลออ่านหยุดหยุดและอัดหยุดหยุดหยุดยุดอาจารย์มีคือขั้นโอ้ต้องอธิบายอาจารย์มีก่อนเหลือขั้นเดียวได้ไหมนบีอ่านยังงั้นอ่งงานอย่างงั้นปรึกษากับแชมินกับตัวปุ้ยก่อนนะ านเหนื่อยไหมเหนื่อยทำงานาศาสนากว่าจะเอาของที่มันไม่ใช่นบีสอนเนี่ยนะออกทีละอย่างละอย่างนี่เหนื่อยมากครับไครคิดเนี่ยทำได้ววันนี้พวกเราสบายแล้วกวางน้ำหมดแล้วรักษาสุหน่าอย่างเดียวให้อยู่ที่บ้านของเราเท่านั้นเองนะพี่น้องเอาต่อมาครับอายาที่19อัลลดูแลมนุษย์ดูเรื่องน้ำก่อนใช่หรือไม่ใช่และไอ้แท่งน้ำเนี่ยใครวางแผนเนี่ยอัลลอทั้งหมดนะให้มนุษย์คิด เอาวางบนข้างบนเลยนะบางทีก็าวางข้างล่างแล้วเอาสูงขึ้นมาใช่ไหมใช่แผนเอลาลอดทั้งหมดเลยให้มนุษย์บางคนคิดเป็นปัญญาหาสตางได้ด้วยนะครับเอาต่อมาอายาที่19 Fa a n s h a ฝานชะนาละกุมบิ n ิจนมมันนต n มินะขิลมินะขิลุนนลวะอ a'anab ล ك ُ م ม فيها ِฟาวะกิฮัก و สิรอวะมิฮักตะกูลูนอัลลอฮฺอักบารَฟานชาแนลกุมَ i َ j a م n a h timin nashil j َ n n a h t i ن ْ نَخِيلٍ و أعنب ละกุม في ฮะฟาวะกิฮะกัสีรอหวามินฮะตะกูลุนอัลลอฮฺอัลบอฺบะลาหและเราได้ทำอันชะนาเหไหมฝ้อันชะนาคนอื่นไม่ได้ทำใครทำอัลลอฮฺฝอันชะนาและเราได้ทำอะไรครับละกุมสาหรับสู่เจ้า ยันนาตินสวนหลายหลายสวนสวรรค์ก็ใช้คํานี้แหละสวนก็นใช้คํานี้แหละยันนายันนาสวรรค์จริงๆผมลืมแปลนะสวรรค์นี่นะฟิดดาวนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าแฟดดูสฟิดดาวนะ่ยภาษาอังกฤษเอาไปใช้เรียกว่าอะไรนะพ า, าดาไดนี่ไงคู่กับคู่กับซิคอนอะไร พาดาญีละฟรตฟันเดนะภาษาภาษาสวาภาษากุลาณะไม่ใช่ทีนี้เราได้ทําให้สวนหลายหลยสวนหรือวัหลากหลายนะครับสวนอะไรบ้างครับมินนักขีลินต้นอินทผลัมใครสร้างต้นตะเกียร์ะมันจะสร้างอัลลอฮ์สร้างต้นอินทผลัมข้อที่สองว่าอาณาเบนอะไรครับองุานอาณา ภาษาอู่ด้วยองกูรอังนุนอังกูนอังของเขามัใช่อังกูรองนุนนะครับอังกูรนี่เล่าแค่สองรายการเพื่อจะบอกให้บรวลุมนุษย์ในอ่อนแอจริงๆคิดอะไรไม่เป็นถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ต้นอังนุนมาไม่ให้อินทพาลามาเรียบร้อยเนี่ยวันนี้เราแก้บัวด้วยอินทพารามใช่หรือไม่ใช่หิวหิวจัดจัดไม่มีอะไรกินอินทพารามสักสาเม็ดคุ้มคมโอ้โหได้ละครึ่งวัน ผมถามใครด้วยว้รัฐมนตรีกระทรวงเอากอบมาเมืองไทยเนี่ยผมถามท่านเช็คพาอินพาลามาจะมาสเปซ่าไม่รู้เรื่องนี่แหละแทนอาหารเช้าวะลรเบรกฟาสต์อย่างดีกินสามเม็ดห้าเม็ดน้ำดำๆหนึ่งแก้วอยู่ได้ครึ่งวันแล้วทำจริงๆพี่น้องพี่น้องราที่เป็นหลงๆอยู่ที่มาการนะข้าวเต้นไม่ถูกนะกินน้ำอะไรน้ำดำๆอยู่ได้ครึ่งวัน มินาคีต้นอะไรต้นอ่างงเอ้ต้นอินทารามสองวะอาณาอ่างงละกุมฟีฮาในนั้นสูเจ้าได้ฟาวากี้แปลว่าผลไม้ฟาวากีแปลว่าผลไม้ผลไม้าจาจากต้นอินทาลามจากต้นอ่างงมากหรือน้อยกาซี่รอดูนเห็นไหมมากกระทั่งส่งออกไปขายต่างประเทศได้ด้วย ในี่ใครคิดเอาเราวางแผนให้หมดแล้วเกิดที่มักกะเกิดทิตุนิเซียที่อิสราเอลมันก็ทำแล้วเห็นไหมขายกะซี่เราเยอะจนก็ทั่งเอาไปขายต่างประเทศไดเลยร่อรวยเพราะอินทพารมก็เยอะแยะไปหมดแต่นบีบอกว่าชิดฐานชอบอะไรอัจอะไรอัจวัต อ, อินทพารมนบีชอบยี่ห้ออะไรอัจวัตแพงไหมแพงมีคนซื้อมาให้ผมนะ อาจีวัตผมก um ับประคองทานอยู่คนเดียววันลเม็ดสองเม็ดแต่เพอเพอหลานรักกินบุนเลยเจ้าอัลฮัมดุลิลลาฮิโนมละหุมละกุมฟีฮาฟาวาคิฮากัสีรอผลไม้ทั้งหมดนี่เราต้องมีผลไม้เยอะวามินฮาตะกูรูนบางชนิดสูเจ้าก็กินมันและบริโภคมันมันจะกินทั้งหมดนะกินบางแล้วนะบางชนิดขั้นเอามากิน แล้วก็บางอย่างท่านก็ให้สัตว์กินด้วยใช่ไหมแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเกา ก, กินด้วยแส้งว่ามันรลุนี่อ่อนแอไหมอ่อนแออ่อนแอจริงๆด้วยความอ่อนแอนี่แหละอร่อยเลยให้ต้นอ ง, งุ่นมาต้นอินทผลามมาให้ผลออกมาให้ท่านกินให้ท่านขายให้ท่านเอาไปแจกจ่ายก็ได้พี่น้องท่านคนที่มีต้นต้นไม้พี่น้องแล้วคิดสุขโบกนะฉันไม่แบ่งให้คนจนอันคุณอ่านได้ใช่ไหมล่ะ ไม่ให้คนจนตรงกลาคืนจลร่อนส่งลมพายุมาเรียบร้อยหมดเลยครับเพราะคิดสกรปรกงั้นอย่าคิดสกรปรกคิดบริจาคบริจาคช่วยช่วยช่ว ย, ช, วยช่วยควนช่วยน้องถามว่าอลัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดเนี่ยอลัลลอฮ์คิดว่าอลัลลอฮ์คิดจะรักไหมไม่ได้คิดเลยขออย่างเลี้ยงหว้จ่าสกาัดได้อินทรพรามณ์อาอ้าวจ่ายไปได้อ ง, งุ่นมาอ้าวจ่ายไปได้ข้าวมาจ่ายสกาัดไปไปน้องทั้งหมดเรานั้นเป็นของอลัลลอฮ์ทั้งหมด สรุปมนุษย์อ่อนแอจริงๆน้ำใครให้อัลลอฮ์ให้ขังไว้ตามดินใครให้อัลลอฮ์จัดให้หมดเลยใช่ไหมมนุษย์ไม่ได้คิดอะไรเลยไปน้องถ้าจะคิดคิดสั่งเดียวนะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเกิดเป็นคนรวยได้ไหมไม่ได้เลือกเกิดได้ไหมไม่ได้เลือกเป็นบุษยาได้ไหมไม่ได้เลือกผู้หญิงได้ไหมเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่เลือกได้อยู่อย่างเดียวเป็นคนดีหรือเป็นคน ชั ua, e. ่วเท่าน si, oh, oh, ั oh ้นเองตอนอยู่ในท้องมารดาอัลลอฮ์กำหนดทฤษฎีรายการนะหนึ่งรีสกี้สองอายุสามอาชีพสี่คนดีหรือคนชั่วอันที่สีเลือกเดข้อเดียวเลือกเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอีกสามข้อเลือกไม่ได้อัลลอฮ์กหนดไว้ัามะบิฮัมดกเวลัยลฮอิอันตะอัสตฟิรุกาวะตุบลไกัสลามาลกุมวบระห์มัตุลลอฮบรกตุ